ตอนนี้ไปก็ขอให้โปรดฟังคำแนะนำในการจเจริญพระกรรมฐ า, านการปฏิบัติพระกรรมฐ า, านในเบื้องต้นก็วิธีปฏิบัติจริงๆเบื้องต้นก็เหมือนคนกเหมือนกรรมทุกกองคือกรรมฐ า, านกองใหญ่จริงๆและมีสี่สิบกองในสี่สิบกองที่พระพุทธเจ้าตรัสก็แบ่งเพื่อเป็นบนิสัยของผู้ปฏิบัติ่ หกกองคือที่เรียกว่าจริตจริตของคนมีหกอย่างพระเจ้าก็ทรงแบ่งกรรมฐานว่าจริตประเภทนี้ใช้กรรมฐานอย่างนี้จริตประเภทนี้ใช้กรรมฐานอย่างนี้แบ่งไว้เพื่อจริตจริงๆสามสิบกองแล้วก็จัดไว้เพื่อเป็นกลางกลางคนจริตไหนก็ได้ทําอย่างแบบไห น, นก็ทําได้ไม่เลือกจริตนะสิบกองรวมสี่สิบด้วยกัน แต่ว่าเรื่องกรรมฐาน40จะไม่พูดในเวลานี้การจเริญนเป็นกรรมฐานจริงๆพระพุทธเจ้าต้องการสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าอย่างน้อยขอทุกคนพ้นจากความทุกข์ใหญ่คืออบยภูมิได้จากการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ยืนฉันอย่างนี้ถือว่าทุกข์ใหญ่เป็นพิเศษ เพราะว่าในแดนสีแดนนี้ถ้าคนลงไปแล้วมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขอย่างนารกไฟก็ไม่ตลอดเวลามีสันรพาวุธสับฟันตลอดเวลาแดนเปรกก็เช่นเดียวกันแดนอสุรกายเต็มด้วยความหิวไม่ถูกการลงโทษดยสันรพาวุธไม่มีไฟแต่ก็มีแต่ความหิวสำหรับมาแดนสตรีฉันดีหน่อยแต่ว่าก็ไม่ดีมาก มีความปรารถนาไม่สมหวังต้องการกินอย่างนี้คนเลี้ยงให้กินอย่างนอนต้องการกินอย่างนอนเขาเลี้ยงให้คนเลี้ยงให้กินแบบนี้จิตใจก็ไม่เป็นสุขบางเหล่าก็อดอยากรวมความว่าใยคุูมิทั้งสี่คือหนึ่งสัตว์นรกสองเปรตสามสุรกาย 4. ี่สัตสติชานเป็นแดนที่ความทุกข์หนักรพระพุทธเจ้ามีการสงพระพุทธบริษัทยึงสอนธรรมะไว ธรรมะเบื้องต้นคือมนุษยธรรมคำว่ามนุษยธรรมทำคนให้เกิดเป็นมนุษย์นี่คุณชนรงคุณเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนให้เป็นมนุษย์จะสงสัยนะคือว่าถ้าเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์ให้ปฏิบัติในกรรมบท1สิบถ้าบุคคลผู้ใดสามารถปฏิบัติก็เป็นกรรมบท1สิบได้ครบถ้วนผู้นั้นเกิดเป็นมนุษย์ได้ สำหรับพวกเรานี่ตามศัพท์ที่เขียนตั้งสือเขาเรียกว่ามนุษย์ถ้าจริงๆแล้วไม่ใช่มนุษย์มันเป็นคนใช่ไหมคนในครบรายวายุ่งมีทั้งความดีและความชั่วกฏกรรมที่สนองเรามีทั้งสองอย่างมีทั้งกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลสําหรับมนุษย์ท่านแปลว่าใจสูงคําว่าใจสูง่หมายความไม่มีใจต่ําไม่มีใจเลว อารมณ์เร็วไม่ดีก็ได้แก่พุทธปฏิบัติในการบทสิบคือหนึ่งคิดไม่คิดจะฆ่าสัตว์สองไม่คิดจะรักทรัพย์สาไม่คิดจะประกอบเรียกว่าจะละเมิดความรักของบุคคลอื่นต่างกายทังวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเขาแต่ร้าวกันไม่พูดวาจาเพื่อเจอเหลวไหลทางจิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรม แล้วก็ไม่คิดวัตถุสร้างไม่จองล้างจองผานไข่มีความเห็นตรงตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนอย่างนี้จะเรียกว่ามนุษยธรรมอันนี้ถ้าแดนใดที่ปฏิบัติในกำหนดสิบนี้ครบถ้วนแดนนั้นเขาเรียกว่าแดนมนุษย์หากแดนใดปฏิบัติกำหนสุดบสุดบสิ บ, สบสไม่ครบถ้วนก็ถือว่าแดนคนคุณชนรงเจออย่างแดนมนุษย์นะ ตอนนี้ถ้าถ้าถามว่ามนุษย์จริงๆอยู่ที่ไหนบอกใข้ก็ได้แต่ใครจะไปได้ไหมไปได้ไหมคุณทวิ์ที่เขาเรียกว่าดาวราหูที่ฝรั่งมันเรียกว่าดาวหลุมดำนั่นแหละไอ้ดาวดวงนี้ข้างหลังดวงดาวขึ้นไปมันเป็นที่ครบ ก็มีดินแดนอย่างของเรามีบ้านมีเรือนโรงมีภูเขามีแม่น้มีมหาสมุทรมีทุกอย่างอย่างของเราหมดแต่ว่าดินแดนแห่งนั้นเขาอันดับแรกเหมืองเขามีมีพรมิหารสี่เป็นพื้นฐานแล้วก็มีกรรมบทตศิษเป็นข้อวัดปฏิบัติแดนนั้นทั้งหมดไม่มีคนจนคำว่ายากจนเข็นใจไม่มี คนสวยทั้งหมดดินเป็นดินแดนที่เต็มรปด้วยความสุขใช่ไหมนีม่พูดแต่มนุษย์ก็เลยพูดให้ฟังนิดเดียวนะเอานิ้แค่นี้ก็พอคจริงมันมีมากกว่านี้ถ้าเป็นดินแดนที่ไม่ละเมิดขบวนสิบก็สบายใจแล้วการทะเลาะกันไม่มีการฆ่ากันแย่งกันไม่มีรบราข้าวฟันไม่มีใช่ไหมของหายไม่มีการแย่งความรักกันก็ไม่มีคนพูดตรงตามควา ม, มจริงพูดไปเราะ พูดเพื่อความสามัคคีพระมทถันทันรัตนเนี่ยเอาแค่นี้แล้วกันถ้าถามว่าพิภพนี้อยู่ที่ไหนก็ ข, ขอตอบว่าอยู่ในจักราวาลของมนุษย์ไม่ใช่สวรรค์เอาแค่นี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นพูดที่ได้มโนยุธิกรลองไปเที่ยวดูนี่ตอไปพระเจ้ากุณแนะนว่าถ้าอย่างน้อยที่สุดถ้ามีคุณธรรมสามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้ คือถ้ามนุษย์ก็ไม่มีความวุ่นวายมีแต่ความสุขมีความเคารพซึ่งกันและกันในคำวสิบปีพมิหางสี่ถ้าเกิดในแดนมนุษย์ความจริงมันก็ดีแต่ว่าก็ดีไม่จริงยังมีความแก่ยังมีความป่วยยังมีการพัดพราดจากของรักของชอบใจยังมีความตายแต่ว่าดีกว่าไบยปูม ตอนนี้ดินแดนที่ดีกว่ามนุษย์ก็คือสวรรค์สวรรค์ดีกว่าดินแดนที่เป็นมนุษย์มากเพราะสวรรค์ไม่มีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ทธาตุาลมธาตุไฟไม่มีกายของชาวสวรรค์เป็นกายทิพเทเกว่านามธมรรมเทเกว่านามธรรมาความจริงความก็เป็นรูปเป็นรูปของนามคือในโรกสวรรค์ไม่ต้องกินอาหาร อาหารที่เคี้ยวกินน่ยไม่มีไม่ต้องกินอิ่มตลเวลาแดนสวรรค์ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปแดนสวรรค์ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแดนสวรรค์ไม่แก่แดนสวรรค์ไม่ป่วยแดนสวรรค์ไม่ตายแต่เคลื่อนไปได้คําว่าตายไม่มีหมายว่าถ้าจะไปไหนก็ไปเลยหมายความทั้งหมดบุญบาบรมีจะมาเกิดแล้วก็ไปมนุษย์เขาเลยกอย่างนั้นเขาไม่ตายกัน ไม่ทิ้งกากคือร่างกายไว้เจ้าแดนสวรรค์ที่เรียกว่าดีถ้ายาคนทุกคนใครอยากไปสวรรค์พระพุทธเจ้าให้แนะนำให้ปฏิบัติทำสองอย่างคือฮิริโอตปะฮิริความละอายต่อความชั่วโอตปะเกรงตัวผลของความชั่วแต่ความจริงถ้าเราตั้งจิตเพื่อจเจริญธรรมบทสิบก็ดีเพื่อปฏิบัติกรรมบทสิบ เลาจะเดินฮินีโอตปาโกตามก็เป็นกรรมฐานถ้าตั้งใจเพื่อปฏิบัติในการบทสิกตะเหลียวศีลานุสติกรรมฐานถ้าหากว่าตั้งตั้งใจปฏิบัติในฮินีโลตปะเป็นธรรมานุสติไม่พลาดนะต่อไปแดนสวรรค์ที่เรียกว่าดีแต่ความจริงสวรรค์ก็ยังมีผู้หญิงผู้ชายยังมีความรักยังมีอารมณ์ ก็จะที่ว่ามีความสุขก็มีความสุขสู้แดนพรมไม่ได้แดนพรมเต็มไได้วยความเงียบสงบมีมีธรรมปีติพิเครื่องอยู่มีความอิ่มใจมีกำลังมากที่แดนพรมเขาไม่มีเพศคือไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตา ม, ต, ามตั้งตายจากความเป็นคนที่ไปเกิดในแดนพรมเขาหมดเพศหมดไปนะไม่เช่ะเคย น, นะขาดเพศใช่ไหม และก็พรมอยู่วิมารแล้วคนด้องไม่ไม่อยู่กับสององมีความสุขมากดินแดนด้านมเรืการคือสวรรค์ก็ดีพรมโลกก็ดีไม่มีคำบัาแก่ร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความหิวไม่มีความกระหายไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายทุกอย่างเป็นสุขจะไปไหนก็ไม่ต้องใช้ยานพานะ ถ้าคิดว่าจะไปไหนก็ไปถึงได้ทันทีที่เราเรียกกันว่าเหาะแต่ความจริงไม่ต่อมันไปเร็วมากทั้งสองแดนนี้เป็นแดนที่มีความสุขมากดีกว่ามนุษย์มากแต่ในเมื่อดินสองแดนมีความสุขจริงแหละแต่ว่าดินแดนทั้งสองแดนนี้ยังไม่พ้นความตาย ที่เรียกว่าตายในยความจริงเขาไม่ตายไม่พ้นจากการเคลื่อ น, นกระหมายความว่าทั้งหมดบุญวาสนาบรมีก็ไม่สามารถจะอยู่ที่นั่นได้ต้องจุติมาเกิดเป็นคนบ้างมาเกิดเป็นสัตว์บ้างบางคนก็บางรายก็ลงนรกไปเลยถ้ากรรมเก่ามีอยูออ่การที่เกิดเป็นผมได้ทำไงถ้าบอกต้องมีฌานสมาบัติ คนที่ขณะที่จะตาย้ะเข้าฌานตายไปเกิดเป็นกลมถ้าถามว่าฌานเขาทํากันยังไงถ้าทํากันตามแบบปฏิบัติที่ฝึกกันก็รู้สึกว่ายากถ้ารู้จักคําว่าฌานจริงๆมันก็ขอ ง, ง่ายบ้านนี้ไม่มีอะไรยากเลยความจริงถ้ามีความเข้าใจนี่มันไม่มีอะไรยากจริงๆต้องเข้าใจไอ้ตัวเข้าใจนี่คือตัวปัญญา คำว่าชาญก็คืออารมณ์ชินถ้าญาติโยโมพุทธบริษัทที่นั่งที่นี่อยากจะถามว่าถ้าผมได้ฉันอยากจะทำชาญบ้างจะได้ไหมก็ขอตอบทันทีว่าได้ทุกคนถามถามทําไมว่าทํำไมยังได้ก็มไม่นก็เป็ขอไม่ยากคือคําว่าชาญนี่เราจับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้โดยเฉพาะถ้าจิตรักอย่างนั้นไว้โดยเฉพาะเปล่ยนกาลัง จิตไม่เคลื่อนไหวไปไหนสักทีสอง ท, ทีนั่นคือฌานตอนนี้ถ้าจะเอาตามฌานตามที่พระเจ้าทรงสอนมีอะไรบ้างหนึ่งพุทธานุสติมี40อย่างวันนี้จะไม่พูดทั้งสี่หนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าเป็นฌานในพุทธานุสติสองเคารพในพระธรรมอยากสวดมนต์เสมอเป็นเป็นฌานในธรรมานุสติ สามีความเคารพในประสงค์องคใดอง์หนึ่งไปนสนศาสนาก็เป็นสังขารุสติยังก็สี่ถ้ามีใจป้องกันรักตั้งตั้งใจรักษาสินด้วยความเคารพนึกถึงสินว่าสินที่เราสามีกี่ติาขาบทอย่างสิน 8, แปดรักษาไม่ได้มากเอาสินห้าสินห้าก็ดีรักษาสินห้าว่าเชืวอคิดว่าสินทั้งห้าข้อเราจะไม่ยอมหลัเมิดอันนี้จิตเป็นชาในสีหลานุสติ คำว่าชาญก็คืออารมณ์ชินตอนนี้เอาให้เปนง่ายดีสุดกว่านี้ดีไหมคุณสวิตเอาง่ายนะญาติโยมนะทรงชาญกันโดยไม่รู้สึกตัวมีเยอะวันนี้ก็เอาแค่เนี้ยปรแปร์แ ป, แ, ปแค่นี้พอนะเพื่อเอาชาญเกณฑ์จริงๆที่ญาติโยมทํากันที่นั่งกันอยู่ที่เนี่ยมีใครใส่บาตรไปจาวันมีไหมใส่บาตนอกบ้านนั้นใส่บาตในบ้านก็ได้ ใส่บาตนอกบ้านก็หมายความถ้าพระท่านมาเราใส่บาทมีเป็นประจำเราก็คิดไว้เสมอว่าวันพรุ่งนี้พระจะมาเขาจะใส่บาตรด้วยอะไรบ้างหรือบางคนพระนอกบ้านไม่มีมาก็ใส่บาตรพระในบ้านสตังใส่กระป๋องใส่บาทใช่ไหมถึงเวลาเราก็ใส่บาตรเวลาไลยใส่บาทแล้วก็ว่าอะไรบ้างบ้านกระถาเงินล้านหรบากรถางวิรัตโย เวลาที่เราว่าดเราก็ว่าในการตั้งใจจริงในความเคารพเวลาใส่เขาสั่งได้ฟัในความเคารพการที่บรรดาญาโยนพระจุฬาลักษณ์ใส่บาตรนอกบ้านและใส่บาตรหน้าบ้านอย่างนี้มันเป็นฌานนะคําว่าฌานอันดับแรกของการถ่ายกองแรกที่ญาโยนจะพึงได้ก็คือจารคานุสติการนึกว่าวันพรุ่ง น, นี้เราจะใส่บาตร วันนี้ใส่ไปแล้วพรุ่งนี้จะมีข้าวกับแกงอะไรบ้างถ้าเราไม่แกงเองเราจะซื้อแกงที่ไหนซื้อกับที่ไหนซื้อปลาทูไปย่างที่ไหนไอตัวนึกตัวเนี้ยนึกจนชินถึงวันเวลามันต้องนึกนึกว่าเราต้องทําแล้วต้องทําไม่ได้ถ้าวันไหนไม่ได้ทําวันนั้นไม่ค่อยสบายใจนักนี่มันเป็นชาในจารคานุสติไม่อยากเลยไหมนี่เข้าใจแล้วมันไม่ยากอันนี้ถ้าพวกที่ใส่บาตรในบ้าน ถึงเวลาเวลานี้เราตั้งใส่บาทครับาบาทวิราชโยเราถือวิราชโยนะอย่างไหนก็ได้นะไม่ใช่วิราชโยก็ได้อะไรก็ได้คิดว่าเวลานี้เอากรตังสลึงหนึ่งเดือนต่ำของสลึงหนึ่งมากสลึงก็ต่ำเราจะใส่เวลาใส่แล้วก็ตั้งนโมสามจบทุกวันเราต้องตั้งนโมเราต้องบูชาพระในการตั้งนโมนี้นึกถึงไข่ น้โมนี้ถ้าแปลไปก็แป ล, ปแปลว่าข้าพเจ้าขอนมัสการสมเด็จพระผู้พุทธเจ้าผู้เป็นพระรหันพระองค์นั้นก็คือตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความกรุกการคิดว่าเวลานี้เราจะใส่บาตรนั่นเป็นจารคานุติกรรมิฐานเป็นฌานแล้วและในการที่สองท่าใส่บาตรเราต้องตั้งน้โมการตั้งน้ำโมนี่เป็นพุทธานสติเป็นกรมิฐานเป็นฌานเห็นไหม ไม่ยากเลยหากินของคลองนะต่อไปถ้าว่านโมบทเดียวไม่พอแล้วก็ว่าพุทธังสนังกระชามิธรรมังสนังกระชามิสังคังสนังกระชามิเราว่าอย่างนี้ด้วยความเคารพจริงๆและเราคิดวา่าถ้าถึงเวลานั้นเราต้องว่าพอ ถ, ถึงเวลาที่เราจะใสบ่บัตรเราจะต้องว่าอย่างนี้ตั้งใจไปแล้วอันนี้เป็นฌาน พุทธทางสนากระชามิเป็นพุธทาธานุติกามฐานธรรมังสนากระชามิเป็นธรรมานุติกรมฐานสังขังสนากระชามิเป็นสังขานุสติกรมฐานและก็เวลาตั้งใจคิดว่าจาสะสตังใส่บาตรเป็นจารานุสติกามฐานใส่ลงไปแล้วเป็นทานบารมีเห็นไหมมันได้ทีต้องเยอะแยะเป็นนั่งโออย่างเดียวยังไงอล้วลูกศิษย์มีครูที่อย่างนะเออ ทูคือใครคือพระพุทธเจา้าไม่ใช่ฉันนะก็เป็นว่าบรรดาญาโยมพุทธริษัทถ้ามีความฉลาดที่ชานท่านมีอยู่แล้วนะมึงตั้งใจบูชาพระเป็นประจําวันถึงเวลานี้เราต้องบูชาพระถ้าไม่บูชาพระจิตใจไม่สบายนี่จะลืมว่าอารมณ์ที่นึกว่าเราจะบูชาพระน่ะเป็นอนุสติ เป็นชาใ น, นุสติอนุสติไหนบ้างนึกว่าเราจบูชาพระที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านของเราถ้านึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติเวลาที่ท่านบูชาพระท่านสวดมนต์บทไหนก็ตามตั้งแต่พุทธังธรรมังสังขงังปัทธรรมทนณะฑจะเป็นบทไหนก็ตามท่านเคยสวดเป็นบุตริถ้าคิดว่าเราต้องสวดอย่างนี้แล้วถ้าไม่สวดมันไม่สบายใจนั่นเป็นธรรมานุสติ เวลาที่ท่านโสตโภชาพระเห็นภาพพระสง์ยดุด้วยเป็นสังขารสตินี่เป็นฌานจริงๆคำว่าฌานคืออารมณ์ชิงในอย่างหนึ่งบางบ้านที่บรรดาแต่พุทธบริษัทที่นั่งนี่ก็มีหลายบ้านบางบ้านตอนเช้าตอนก็ตื่นขึ้นมาก่อนจะรับทานอาหารเอาข้าวบวถวายข้าวพระก่อนไม่มีพระมาบิณฑบาตถวายพระพุทธพระโตตรูปที่บ้าน ตอนนี้บางเอินบางวันไม่มีข้าวมีผลไม้ก็ได้มีอะไรก็ได้ไปถวายท่านไปตั้งใจบูชาพระการที่ตั้งใจจะถวายพระในเวลาเชา้าอันนี้ก็เป็นฌานในกรรมฐานคือนึกถึงพระพุทธ ร, รูปองนั้นเป็นพุทธานุสติตั้งใจคิดว่าจะนําของไปถวายเป็นจากานุสตินี่เป็นฌานนะรวมความว่าคำไหวฌานเนี่ยเป็นของง่งายๆไม่ยากอย่างที่ต้องคิดกัน ถ้าถามว่าถ้าชานอย่างนี้จะเกิดเป็นพรมได้ไหมก็อย่าลืมว่าเวลานี้เราพูดกันเรื่องพรมเราพูดกันว่าคนนี้จะถ้ามีชานแล้วจะไปเกิดเป็นพรมทุกอย่างที่พูดมานี่มีกำลังเป็นพรมได้ทั้งหมดในเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทเอายี่จนอะไรกันบางท่านชอบพระพุทธรูปบางท่านแกชอบนึกถึงพระธรรมข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องทั้งหมด บางท่านก็นชอบนึกถึงประสงค์บางท่านก็นเลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านมีหไหมเลี้ยงแมวบ้างสุงนัขบางหมาบางอหมาก็สุนัขเหมือนกันไหมเหมือนก็ เ, เขียนไว้เหมือนกันนี่นะ <c oughs> เลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านไอ้การเลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านเนี่ยท่านเลี้ยงเนี่ยไม่ได้จ้างมันการให้อาหารแก่สัตว์ที่บ้านเนี่ยเป็นทานไม่ใช่เวลาจะบังคับว่าเจ้าแมวนี้เอ้ต้องจับหนูนะ ถ้าวันหนึ่งจับหนูไม่ได้หนึ่งตัวไม่ชาติในประเทศอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เลี้ยงเป็นการจ้างใช่ไหมที่แมวก็ตามสุนัข ก, ก็ตามมันจะจับหนูหรือมันจะเห่ากะโะมยหรือไม่เห่าก็ไปเรื่องกองมันเราเลี้ยงด้วยความไม่ตานี่การเลี้ยงสัตว์ปัญญาทำพุกสัตว์เป็นทานบรรมีอย่าลืมนะไม่ใช่ของเบาอันนี้การนารกด่านแรกเลยสัตว์ที่บ้านเนี่ย เป็นทานบารมีการนึกถึงว่าเวลาไหนเราจะให้ทานกษัตสัย์เป็นจ่าขานุสติกรรรทานนี่ไม่ใช่ของเบานัตอนนี้บังเอิญท่านคิดอะไรไม่ออกเวลาก่อนจะตายนึก ถ, ถึงแบบคุกเกินนึกไม่ได้มันโปวดมันเสียดจะนึกถึงว่าทําก็นึกถึงไม่ไหวจะนึกประสงค์ก็ไกลเกินไปนะจะไปวัดใ ก, กล้ๆก็เลี้ยงไม่เขา้าไปเขาวัดแ ต, ต่มันไปไม่รอดมันโปวดมันเสียดใช่ไหม ไปไปมามาไอภาพสุนัขมันเดินผ่านหน้าแนี่เกิดเป็นหมาไม่ใช่งั้นนะเจ้าภาพสุนัขคือมันนึกถึงสุนัขคือมันได้บอกเออถ้าเราตายไปแล้วนะเจ้าหมาตัวนี้มันจะ ก, กินที่ไหนใครจะเลี้ยงมันใครจะสงเคราะห์มันอย่างเราสงเคราะห์มันถ้าอารมณ์จิตคิดขึ้นมาอย่างนี้นะ่ะ เ, เป็นเป็นอารมณ์กุศล น, นะตอนนี้ไปฐานะที่เราเลี้ยงเป็นปกตินึกถึงการให้มันอย่างนี้เป็นฌานในเวลานั้นพอดี ถ้าท่านตายเวลานั้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้วบุญทุกส่วนที่ทําได้ทั้งหมดมันจะรวมตัว ท, ทันทีแล้วจะไปบป็นสมอันนี้กรรมฐ า, านบทนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้วันนี้ว่างเร่ๆไปเมื่อคืนนี้มันป่วยโอ้ไข้เล่นแล้กับแยมแย่ต่างตัวไม่ไหววันนี้พอเบาหน่อยได้ไรมั่งฉันพูดไปนฉันไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรมั่งก็รวมความว่าวันนี้เราพูดกันถึงฌาน เป็นอันว่าถ้าเราไปเป็นพรหมได้เราก็โก้พรหมอยู่สูงก็เทวดามากแต่ว่าศักดิ์ศรีของพรหมกสูงแต่พรหมยังไงก็ตามพรหมก็อยู่ไม่ได้นานแต่ว่าพรหมนี่เมยุบเป็นกลับนะทยังไงก็ตามพรหมในหมดเมื่อหมดปุรุสนาบารมีก็ต้องกลับมาจุติมาเกิดใหม่ไม่ทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนําว่าความดีที่เราทํา อันดับแรกทำความดีสูงสุดไม่ได้ก็ทำความดีเพื่อเกิดเป็นมนุษย์ในดินแดนที่เขามีกำหบดสิเป็นพื้นฐานจะมีแต่ความสุขไม่เชื่อใครก็ไปเที่ยวไอ้ดาวหลุมดํำดิมันอยู่ขอบจักรวาล น, นะถ้าลงมาจากสวรรค์มันจะอยู่ริมจักรวาลที่สุดเปนจักรวาล น, นี้ดินแดนนั้นโลกนั้นจะใหญ่มากโลกของเราในะข้าวบีในอุ้งโลกประมาณสักร้อยโลกยังไม่เต็มแลย ใหญ่มากมีเขาเรียกมีดวงดาวที่หายเข้าไปที่ฝรังมันบอกกินดาวในะความจริงไม่ได้กินมันไหลเข้าไปเองมันมันลึกมากมันมีความกว้างมากพระพุทธเจ้าแต่บอกว่าดาวบางดวงที่เข้าไปอย่างเร็วที่สุดสามปีมันไหลออกมาพรังเลยหาว่า ก, กินดาวมันลึกมากใหญ่มากเป็นจักรวาลที่ใหญ่มากมนดินแดนนี่มีความสุขมากทิ่มีไหลมาก ตอนนี้ถ้าความดีเราสามารถทําได้สูงกว่านั้นก็ทําให้ถึงสวรรค์เป็นการพักความทุกข์สวรรค์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้ากําลังใจสูงกว่านั้นก็ไปเป็นพรหมจะเรียกว่าถ้าต้องการเกิดเป็นมนุษย์ก็ปฏิบัติกำหนดสิบให้ครบถ้วนเป็นศีลานุสติกรรมฐาน ถ้า ต, ต้องเกิดต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือพรเทวดาหรือนางฟ้าก็ปฏิบัติฮิริโลตระปะเป็นธรรมานุปทิกรมรมฐานฮิริความอายแ ต, ตค่ความชั่วโอตระปะเกรงกลัวผลของความชั่วถ้าต้องการไปเป็นผมก็ทําฌานให้ปลายกฏทําจิตให้ทรงฌานไว้คําว่าทําจิตให้ทรงฌานหมายความถ้าเราจะเคยบูชาพระเวลาไหนตั้งใจไปเลยเวลานั้นจงอย่าคลาดมันจะคลายกับ้างเก้านาทีสิบนาทีนี้ไม่เป็นไร ถึงเวลาหัวค่ําก่อนหลับเราจะบูชาพระหรือตอนเช้าก่อนจะไปทํางานเราจะบูชาพระเอาเวลาเดียวว่าได้เวลาไหนก็ได้ตามใจชอบถ้าถึงเวลานั้นเราต้องทําทําด้วยความเคารพอย่างนี้เป็นฌานเขาถามว่าฌานในกองไหนก็มาฐานต้องตอบก็ได้เร็วฌานในพุทธาสติอีกกองแรกเพราะเราต้องหนึ่งตึกถึงพระพุทธเจ้าแต่นี้ในเมื่อพุทธเจ้าจะบอกพรหมก็ดีแต่ว่าดีไม่นาน ให้ทุกคนต้องการไปนิพพานถ้าไปนิพพานไม่มีการกลับมาอีกวิธีไปนิพพานง่ายๆแต่ไงวันนี้กินข้าเพลนไม่ได้แรงไม่มีเลยเอาได้ง่ายๆอย่างเดียวเห็นไหมชั้นเพนไม่ลงชั้นแค่ช้อนเดียวไม่มีแรงเลยไปง่ายๆถ้ามีแรงไปยากๆอย่างเมื่อวานนี้พอมีแรงไปยากๆเห็นไหม ตาไปนี่ภายง่ายๆก็เป็นของไม่หนักเอาใจยอมรับนับถือกฎคุณธรรมดา <c oughs> ถ้ารานนี้ไม่มีอะไรมากคื อ, ต, อต้องมีอารมณ์ไม่ฝืนกฎธรรมดาให้นึกไว้เสมอตามใจตามความเป็นจริงว่าธรรมดาของชาวโลกทั้งหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แก่ลงไปทุกวัน คนก็แก่ใส่ ก, ก็แก่วัตถุก็เก่าในที่สุดมันก็พังสภาพขครืองความเกิดเขาชาวโลกเป็นอย่างนี้จะเป็นโลกไหนก็ตามจะเป็นโลกนี้โลกพระจนะันทร์โลกพระศุกโลกพระและ้วโลกไหนตรงไหนก็ตามมันก็เหมือนกันหมดอย่างที่นั่นโลกคือโลกที่พูดเมื่อกี้ดาวราหูนะ่ะเขามีอายุหมื่นสองพันปีแล้วมันก็ตายเหมือนกันใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ตายเนี่ยแต่เขาไม่แก่เหมือนเราเขาคนอ า, อายุหมื่นสองเป็พันปีใกล้จะตายไห่ดูอายุมันไม่เต็มสามสิบของเราหน้าตาหนุ่มมากเห็นไหมเ็ามีแต่ความสุขนั่นก็เป็นว่าโลกไหนก็ตายไม่กันเป็นมนุษย์ก็ต้องตายเป็นเทวดาก็าต้องจุติเป็นพรหมก็ต้องจุติเขาก็ไปนิพพานวิธีปริภพาก็ต้องมีอารมณ์ปล่อยปล่อยร่างกาย เจอไม่ปล่อยคนทั้งหมดปล่อยคนทั้งหมดอันนี้มันยากจริงๆแล้วปล่อยร่างกายที่เรียกว่าส ก, กายแยทิฐิให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ถึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็ น, นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันประกอบเข้ามาเป็นร่างเราตามภาษาหนังสือเขาเรียกว่าจิต ถ้า ต, ตามภาษาของพระเรียกวาทิสมานร่างกายมันเข้ามาสิงอยู่ในร่างที่เป็นเนื้อแบบนี้ถ้าถึงวาระที่ร่างกายมันจะพังเราก็ต้องไปจากร่างนี้ไปหาร่างใหม่ดังนั้นในเมื่อร่างนี้มันมีสภาพไม่ดีอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ในการต่อไปการเกิดที่มีร่างกายด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าแบบนี้จะไม่มีกับเราหลังจากนั้นก็ขออนุญาท่านพุทธบริษัทยึดพุทธานุติกรรมฐานไม่เป็นอารมณ์เิานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าพุทธานุติิภาวนาว่าพุทโธก็ได้สัมมาแรงก็ได้อิทิสุโโตก็ได้ภาวนาว่ายังไงไม่ว่าแต่อันดับแรกก่จะภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน ถ้านถึงพระพุทธเจ้าก่อนทีนี้ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าเรามากดีกว่ามนุษย์ดีกว่าเทวดาดีกว่าผมยังนิพพานแต่เมื่อพระพุทธเจ้าต้องนิพพานได้นิพพานจะขันท่าเพราะอะไรเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราตายจากชาตินี้ขอไปนิพพานจุดเดียวคิดว่าย้ทุกวันนะก่อนจะหลับทบทวนว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันต้องตายมันตายเราไม่ตาย เราไม่ตายเราอยู่ไหนเราจะไปนิพพานเกิดมาไม่ใหม่ร่างกายคิดว่าร่างกายนี้มันต้องตายมันตายแล้วไปไหนเราจะไปนิพพานนั่นจับพระพุทธเจ้าเลยภาวนาพุโทโธก็ได้อสิขะโตก็ได้สมาราังก็ได้ตามใจชอบจิตรับพระนิพพานแบรลมนี่สาหรับสุขปะปุตโโกนะสําหรับท่านที่ได้ชน ะ, ะพึงโยนะได้เขงชน ะ, ะพิงโยคือมโนยิทธิ ก่อนจะหลับตั้งใจรวบรวมกำลังใจจับรูปพระโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าจจชัดเจนแจ่มใสตั้งกําลังพุ่งใจไปนิพพา น, นทันทีไปอยู่ที่นั่นถ้าใจดีอยู่จนกว่าจะหลับไปปล่อยร่างกายจะหลับก็ปล่อยหลับไปถ้าทนอย่างนั้นไม่ไหวไปอยู่ทั้งสองสามนาทีก็คิดว่าถ้าตายเมื่อไรขอมาที่นี่แห่งเดียวแล้วก็กลับเมื่อตื่นใหม่หมทําอย่างนั้นไม่ต้องลุกขึ้นมาพอตื่นพับรวบรวมกําลังใจทําตามนั้นแล้วไป น, วนิพพาน ตั้งใจคิดว่าถ้าวันนี้ตายมืไรเขามาที่นี่ เ, เดียวเที่ย ง, งเท่ท า, า, เนน า, นานี้บรรดาเต้พุทธบริษัทตายเมื่อไรปณิภานเมื่อนั้นตอนนี้ไปเขา้าบรรดา้พุทธบริษัททุท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน